วันรุ่งขึ้นสองสามีพันยาพากันมาเยี่ยมคนเจ็บที่เขานำส่งโรงพยาบาลเมื่อฟังเรื่องราวของพระเจริญที่นายหล่อเป็นผู้เล่าคนทั้งสองรู้สึกสลดใจนักจึงรับอาสาจะไปนค้นหาศพท่านเพื่อ น, นำส่งยังวัดพรมบุรีนายหล่อจะขอมาด้วยหากแพทย์ไม่อนุญาตเพราะถ้าขยับขยื่นตัวจะทำให้หายช้า พระเจริญม้อยหลับไปตอนตีห้ามารู้ตัวตื่นตอนแปดโมงเชา้ารู้สึกคันยุบยิบไปทั่วร่างด้วยถูกยุงเหลือกริ้นกัดกินเลือดบาดแผลตามตัวบตดนี้มีเลือดแห้งกรังติดอยู่ภิกษุหนุ่มกำลังคิดหาวิธีที่จะปีนขึ้นจากเหวครั้นแงนมองขึ้นเบื้องบนก็ให้นึกท้อปากเหวสูงชันออกอย่างนี้ ไม่รู้ว่าจะขึ้นไปได้อย่างไรใจหนึ่งก็นึกขอบคุณเทวดาฟ้าดินที่ช่วยชีวิตเอาไว้คนที่ตกลงมาในเหวลึกออกอย่างนี้ไม่น่าที่จะรอดชีวิตได้เมื่อสายตาจินกับความมืดท่านจึงเหลียวมองไปรอบๆตัวใจหายวูบเมื่อพบรถของนายหล่อค้างอยู่บนต้นยางซึ่งขึ้นอยู่ในเหว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 เราจะปีนขึ้นไปจากก้นเหวได้อย่างไรหนอท่านเริ่มใช้วิปัสสนากรรมฐานที่เคยร่ำเรียนมาคลั้นจะเดินจงกรมแล้วนั่งภาวนาสถานที่ก็ไม่อำนวยด้วยว่าทั้งมืดทั้งคับแคบเกิดเดินไปเหยียบงูงเงี้ยวเคี้ยวขอก็จะกลายเป็นทุก์ซ้อนทุกข์เข้าไปอีกเห็นจะไม่มีอะไรดีเท่ากับการสวดมนต์ คิดดังนั้นแล้วจึงตั้งสติสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหาการุณิโกและกรณียเมตสูตรสวดจบจึงแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเสร็จแล้วจึงตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจคุณพระศีรัตน์ตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนเจ้าป่าเจ้าเขาจงช่วยให้ท่านขึ้นจากเหวได้ อธิษฐานเสร็จพลันปัญญาก็เกิดท่านรู้ว่าจะต้องปีนอย่างไรจึงจะไม่ตกลงมาเป็นความรู้ที่เกิดโดยฉับพลันและน่าอัศจรรย์ที่สุดจากนั้นจึงลงมือปฏิบัติการที่ต้องเสี่ยงกับความเป็นความตายภิกษุหนุ่มปีนขึ้นจากเหวอย่างเชื่องช้าและมีสติเพราะหากพลาดพลัง้งย่อมหมายถึงชีวิต หรืออย่างน้อยก็กลายเป็นคนพิการหนึ่งชั่วโมงผ่านไปจึงได้มันนั่งอยู่บนปากเหวมองลงไปข้างล่างก็ให้นึกเสียวขณะเดียวกันก็นึกแปลกใจว่าไต่ขึ้นมาได้อย่างไรในเมื่อมันสูงชันออกอย่างนี้ผ้าสบงที่นุ่งถูกแง่หินเกี่ยวจนขาดรุ่งริ่งแทบจะปกปิดร่างกายท่อนล่างไม่มิด นั่งยังไม่ทันหายเหนื่อยก็เห็นชายหนุ่มก็เห็นชายกลุ่มหนึ่งเดินใกล้เข้ามาคงจะเป็นพวกหาหน่อไม้และของป่าเพราะมีหน่อไม้โผล่ออกมาจากย่ามเก่าๆที่แต่ละคนสะพายไว้บนบ่าดีแล้วเราจะได้อาศัยคนกลุ่มนี้พาไปยังหมู่บ้านภิกษุหนุ่มคิด ครันพวกเขาเห็นท่านกลับพากันเข้าใจว่าเป็นคนบ้ามันนั่งอยู่จึงก้มลงเก็บก้อนหินคว้างเข้าใส่วินาทีนั้นผู้ที่ถูกคว้างก็นึกถึงเวรกรรมที่ทําไว้กับชายแก่ขี้เมาด้วยการถีบแก่ตกลงไปในคลองแก่กลัวจนตัวสั่นงันงกตะเกียกตะกายว่ายน้ําหนีไปแอบอยู่ในพงอ้อที่อยู่ฝั่งตรงข้าม เด็กหนุ่มไม่ติดตามหากก้มลงคว้าก้อนหินก้อนดินปากข้ามคลองไปยังแก่เสียงร้องโอยโอยด้วยความเจ็บปวดคว้างหนำใจแล้วก็ตะโกนบอกว่าอย่าขึ้นมานะนอนอยู่นั่นแหละพรุ่งนี้กูจะมาดูถ้าขึ้นมาจากค่ายตายเลยเชียวแต่แกขี้เมาติดอยู่ในพงหญ้าวันกับคืนหนึ่งต้องหนาวเหน็บเจ็บปวดไปทั้งร่าง เพราะความกลัวเด็กหนุ่มนี่เรากําลังชดใช้เวรที่ทำกรรมที่ก่อท่านบอกตัวเองไม่นิกโกรธเคืองคนพวกนั้นแม้แต่น้อยพวกเขาคว้างท่านจนเป็นที่พอใจแล้วจึงพากันเดินผ่านไปพระหนุ่มนั่งกำหนดเจ็บหนอเจ็บหนออยู่อย่างนั้นกระทั่งรถคันหนึ่งแล่นมาจอดอยู่เบื้องหน้าท่านผู้หญิงกับผู้ชาย อายุราวสามสิบเศษลงจากรถเดินตรงมายัางท่านทั้งสองนั่งลงกราบท่านสามครั้งแล้วผู้ชายเป็นคนพูดขึ้นว่าเพราะคุณเจ้าที่มากับคนชื่อหล่อและเกิดอุบัติเหตุเมื่อตอนหวข้าวานนี้ใช่ไหมครับได้ยินชื่อในหล่อท่านก็ใจหายมัวแต่ช่วยตัวเองให้ขึ้นมาจากเหวจึงลืมนึกถึงอีกคน นายหลอ่ออาจจะนอนสลบอยู่ในรถก็ได้ท่านน่าจะเดินไปดูที่รถแต่ก็ไม่ได้ไปนึกโกรธตัวเองที่ไม่รอบคอบจึงตอบเข้าไปว่าถูกแล้วโยมลูกศิษย์อัตมาเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้แต่เอททำไมโยมถึงรู้ว่าเขาชื่อนายหลอ่อหรือว่าเป็นญาติกันท่านถามไม่ได้เป็นญาติหรอกครับ ผมเห็นเขานอนสลบอยู่ข้างทางจึงนำส่งโรงพยาบาลเมื่อกี้ไปเยี่ยมจึงรู้ว่ามีพระคุณเจ้ามาด้วยเขาร้องไห้ใหญ่ททษตัวเองว่าพาพระคุณเจ้ามาตายอ๋อนี่เขายังไม่ตายหรอกรอึถามอย่างดีใจเขาก็คงดีใจถ้ารู้ว่าพระคุณเจ้าก็ปลอดภัยนะคะคนเป็นผู้หญิงพูดปุรุษนั้นจึงแนะนาว่า หล่อนคือพัญญาของเขาพระคุณเจ้าคงจะมีของดีจึงรอดชีวิตมาได้ดิฉันขอนิมนต์ไปฉันเพนที่บ้านนะคะแต่ก่อนอื่นเห็นจะต้องไปซื้อผ้าไตรสักสําหรับหนึ่งมาถวายจีวอนของท่านค้างอยู่บนยอดไม้โนทนหล่อนชี้ไปยังต้นไม้เบื้องล่างนั่นรถยังค้างอยู่บนต้นยางนี่ครับคนเป็นสามีพูดเห็นจะเอาขึ้นลําบาก เขลึกออกปานนั้นจะทํายังไงดีครับครับปรึกษาก็คงต้องทิ้งไว้อย่างนั้นแหละถ้าเอาขึ้นมาก็คงซ่อมไม่ไหวเพราะพังยับเยินไปทั้งคันเผลอๆค่าซ่อมอาจแพงกว่าซื้อคันใหม่อีกให้อยู่อย่างนั้นแหละจะได้เป็นอนุสรณ์แห่งกรรมเวรที่อาตมาก่อขึ้นกรรมเวรอะไรครับคนเป็นสามีถามเอาล่ะ เดี๋ยวอาตมาจะเล่าให้ฟังช่วยพาไปดูลูกศิษย์อาตมาหน่อยเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้หมอบอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วครับแต่ห้ามขยับขยื่นเพราะเกรงจะหายช้าตกลงว่าผมจะไปตลาดเพื่อซื้อไตรจีวอนก่อนแล้วนิมนท์ท่านไปฉันเพนที่บ้านจากนั้นจึงจะพาไปเยี่ยมคนเจ็บตกลงตามนี้นะครับนิมน์ขึ้นรถ คนเป็นครหัส่าวงการกึ่งเผด็จการนิดๆคนเป็นพระจึงต้องทำตามโดยไม่มีทางเลือกท่านขึ้นไปนั่งคู่กับคนขับส่วนพัญญาของเขาย้ายไปนั่งข้างหลังระหว่างที่ขับรถไปยังตลาดเขาก็ให้ท่านเล่าเรื่องกรรมเวรที่ทำให้ท่านต้องมาตกเหวซึ่งท่านก็เล่าให้เขาฟังด้วยความเต็มใจ กลับมาอยู่วัดพลมบุรีได้สามวันพระเจริญก็มีอันต้องเดินทางอีกทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะท่านได้พบกับหลวงพ่อลีวัดบางปิ้งผู้ซึ่งทุดงผ่านมาทางวัดพลมบุรีเมื่อได้พูดคุยกับท่านพระหนุ่มรู้สึกถูกอัธยาศัยจึงขออนุญาตติดตามท่านไปเพื่อเรียนวิชาสเสดาะลูกกุญแจหลวงพ่อลี เห็นพระหนุ่มมีความตั้งใจอยากเรียนวิชาจริงๆจึงรับไว้เป็นสิทธิ์จากนั้นอาจารย์กับลูกสิทธิ์ก็พากันเดินทางไปวัดบางปิ่งซึ่งอยู่จังหวัดสมุทรปราการลุงพ่อครับเมื่ อ, อไร่ผมถึงจะได้เรียนวิชาสะดอกลูกกุญแจครับพระหนุ่มทวงถามหลังจากมาอยู่วัดบางปิ่งได้สองวัน อยากเรียนเมื่อไรก็เมื่อนั้นลุงเพลีตอบถ้าผมอยากเรียนวันนี้ล่ะครับเรียนวันนี้ชั้นก็สอนวันนี้และเดี๋ยวนี้เลยเป็นไงเธอพร้อมที่จะเรียนแล้วหรือยังพร้อมแล้วครับพระหนุ่มตอบหนักแน่นทอดเทนนั่นก่ลงมือเรียนได้เลยวิธีของชั้นก็คือต้องมัด ตัวไว้ในป่าช้าและว่าคาถา ท, าทอดกลับไปกลับมาทําไมต้องไปเรียนที่ป่าช้าด้วยล่ะครับพระหนุ่มสงสัยจะได้เป็นเร็วๆยังไงละ่ะหรือว่าเธอกลัวผีก็ไม่ไม่กลัวครับแข็งใจตอบไม่ไม่กลัวก็แปลว่ากลัวเอาให้แน่กลัว หรือไม่กลัวกลัวก็ได้ครับท่านตอบตามจริงพร้อมยิ้มแย่ๆกลัวน่ะดีแล้วจะได้เรียนสาเร็จเร็วเอาล่ะไปที่ป่าช้ากันเลยพูดจบก็ลุกขึ้นยืนพระหนุ่มลุกขึ้นยืนตามมือทั้งสองอยู่ในท่าประนมพูดว่าเออคือมันจวนมืดแล้วครับหลวงพ่อไว้พรุ่งนี้เช้า ค่อยเรียนดีกว่าเห็นลูกสิบผัดเพี้ยนอาจารย์จึงว่าวิชาของฉันต้องเรียนเวลานี้จะเรียนวันไหนก็ต้องเริ่มตั้งแต่หกโมงเย็นไปเลิกตอนสามถุ่มหรือ้าเธอจะยืดเวลาไปถึงห้าถุ่มเที่ยงคืนก็ยอมได้ผมขอหดเข้ามาเป็นเลิกหนึ่งทุ่มได้ไหมครับ ลูกสิธิ์ต่อรองยืดออกได้แต่หดเข้าไม่ได้คือคำตอบของอาจารย์พระเจริญเลยต้องคิดหนักอยากได้วิชาก็อยากกลัวผีก็กลัวจะทำอย่างไรดีหนอในที่สุดก็เลือกวิชาเพราะเมื่อนึกถึงหลวงตา ย, ยีแล้วก็อยากเก่งเหมือนลงตารูปนั้น นิมนต์เลยครับหลวงพ่อผมพร้อมแล้วท่านกล่าวคำนิมนต์ปลอบใจตัวเองว่าเป็นไงก็เป็นกันหลวงพ่อลีจึงเดินไปหยิบเชือกหนึ่งเส้นพร้อมแม่กุญแจหนึ่งอันแต่ไม่มีลูกกุญแจด้วยว่าไม่ต้องใช้ลูกกุญแจไขเพราะใช้จิตไปไขแทนหลวงพ่อเอาเชือกกับกุญแจจีนไปทำไมครับ แล้วลูกกุญแจหายไปไหนถฉยๆยถึกเดี๋ยวก็รู้เองท่านพูดพลางส่งของสิ่งนั้นให้พระหนุ่มถือเมื่อถึงป่าช้าหลวงพ่อลีพาพิสุหนุ่มไป ใ, ใกล้ๆโลงศพที่ฝาโล ง, งแง้มอยู่ทำให้เห็นขาคนตายโผล่ออกมาศพคงจะเน่าเพราะส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้ง หลวงพ่อพาผมมาไว้ใกล้โรงผีทำไมครับพาไปไกลๆอีกหน่อยเถอะเม้นเน่าจะแย่อยู่แล้วท่านโอดครวนไกลจากโรงนี้แต่ไปใกล้โรงโน้นไหมโนดโรงโน้นผีตายทั้งกลุ่มท่านชี้ไปที่โรงศพข้างหน้างั้นก็เอาโรงนี้ดีกว่าครับตอบเสียงอ่อย แทบจะเลิกล้มความตั้งใจเสียเดี๋ยวนั้นหลวงพ่อลีจัดการให้ท่านยืนใต้ต้นไม้ที่ติดกับโลงศพแล้วใช้เชือกมัดตัวท่านไว้กับต้นไม้ใส่กุญแจเสร็จสับหลวงพ่อครับกุญแจไม่มีลูกแล้วผมจะทำยังไงล่ะครับเกิดว่าคาถาแล้วกุญแจไม่ออกคงต้องหาลูกกุญแจมาไขยังไงหลวงพ่อช่วยทิ้งลูกมันไว้ กับผมด้วยเถอะครับท่านพยายามอ้อนวอนลูกกุญแจไม่มท่านโยนทิน้งนามไปนานแล้วเอาเถอะไม่ต้องห่วงถ้าสามทุ่มเธอยังไม่กลับไปท่านจะมาเะดาคกุญแจให้เองถ้าเช่นนั้นหลวงพ่อลองเสะดาะให้ผมดูก่อนจะได้ไหมครับผมจะได้อุ่นใจ ลูกศิษย์ขอร้องก็ได้เธอจับตาดูให้ดีนะพระเจริญจึงเพ่งไปที่กุญแจจีนพอหลวงพ่อลีว่าคาถาแล้วเป่าพรวดไปที่กุญแจมันก็หลุดออกโดยง่ายพระหนุ่มรู้สึกได้กำลังใจท่านจะต้องทำให้ได้อย่างนี้บ้างหลวงพ่อว่าคาถาอะไรครับกุญแจจึงได้หลุดออก คาถานวระหะคุณเป็นยังไงครับคาถานี้ก็พุทธคุณกาวไงล่ะแต่เป็นแบบยอ่อเรียกอีกอย่างว่าหัวใจอิติปิโสเธอเคยได้ยินไหมหัวใจอิติปิโสนะ่ะเคยครับผมเคยเรียนกับลุงพ่อเดิมหนว่ามาให้ฟังสิพระหนุ่มเรียนรู้มาจากลุงพ่อเดิมแล้ว ว่าหัวใจอิติปิโสหรือพุทธคุณเก้าคืออสังวิสุโลปุสะภุภะจึงตอบฉะชานว่าอสังวิสุโลปุสะภุภะครับเธอรู้ใช่ไหมว่าแต่และคำย่อมาจากอะไรทราบครับผมทราบคำแปลด้วยทัดเชนนั้นก็ว่ามาให้หมด พระหนุ่มถูกทดสอบความรู้อโยมาจากอรหังแปลว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสสังคือสัมมาสัมพุโทโธแปลว่าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิคือวิชาจรณะสัมปันโนแปลว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะสุคือสุขโตแปลว่าเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี โลคือโลกับวิทูแปลว่าเป็นผู้รู้โลกอย่างจำแจ้งปุคือปุริสะธรรมสาริฐิแปลว่าเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสคือสัทธาเทวะมนุษย์สานังแปลว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ู้คือพุทโธแปลว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระคือพระควาแปลว่าเป็นผู้มีความเจริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์นี่คือพุทธคุณก้าครับพระหนุ่มตอบอย่างคล่องแคลว่วดีมากฉันกำลังจะบอกเธอว่าที่กุญแจหลุดออกนั้น ไม่ใช่เป่าคาถาเพียงแล้วกุญแจหลุดหรอกนะแต่ฉันจะไม่บอกว่ามันหลุดเพราะเหตุใดเธอต้องเรียนรู้เอาเองผมจะต้องทำอะไรบ้างครับต้องท่องอสังวิสุโลปุษาภุพระกี่เที่ยวครับถึงจะทำให้กุญแจหลุดได้ลูกสิดถามจะ ก, กี่เที่ยวก็ไม่สำคัญ ควอมสาคัญอยู่ที่การผูกและการถอดคือเธอต้องผูกคาถาผูกเสร็จแล้วก็ถอดกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้จนกว่าจะชำนาญผมผูกไม่เป็นครับแล้วก็ถอดไม่เป็นด้วยพระหนุ่มสารภาพผูกก็คือการบริกรรมว่าสังวิสุโลปุสะพุะ สวนถอดให้บริกรรมว่าพระพุส ป, ปุโลสุวิสังอะลุงพ่อลีอธิบายคือการท่องกลับไปกลับมานั่นเองใช่ไหมครับพระเจริญเพิ่งจะเข้าใจความหมายของการผูกและถอดคาถาซึ่งก็คือการบริกรรมพุทธคุณเก้าจากหนึ่งไปเก้าและจากเก้า ย้อนกลับมาหนึ่งนั่นเองถูกต้องเป็นอันว่าเธอเข้าใจดีแล้วถ้าเช่นนั้นท่านไปแล้วนะเธอจะได้มีเวลาฝึกมากๆเดี๋ยวก่อนครับหลวงพ่ออยู่เป็นเพื่อนผมก่อนพระหนุ่มรีบบอกด้วยว่าตราตรีกำลังเข้ามาเยือนซึ่งหมายความว่าท่านจะถูกทิ้งให้อยู่ในป่าช้า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 เพราะถ้าเธอคิดว่าท่านจะมาก็จะใจจดใจจ่อว่าเมื่อไรจะถึงสามทุ่มแต่ถ้าท่านไม่มาเธอจะได้มีความพยายามต้องให้หลุดนะถ้าไม่หลุดแล้วก็ยูตรงนี้แหละท่านหมายถึงทำให้กุญแจหลุดออกแปลว่า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 ขอให้ต si ั้งใจเรียนไปฉ่านกลับกุติก่อนละพูดจบท่านก็เดินกลับโดยไม่ฟังคำอ้อนวอนของลูกศิษย์เมื่อถูกทิ้งให้อยู Mi ่แต่ผู้เด ah ียวพระเจริญจึงเริ่มผูกคาถาด้วยการบริกรรมว่าอสังวิสุโลปุสภุพะผูกแล้วจึงถอด โดยบริกรรมย้อนกลับว่าพระผู้สะปุโลสุวิสังอะกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้สักพักก็รู้สึกเบื่อจึงหยุดความมืดเขาปกคลุมทั่วบริเวณแม้จะมองไม่เห็นลงศพชัดเจนแต่ก็พอเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มส่วนกลิ่นเหม็นเน่านั้นดูจะทวีความร้ายกาศยิ่งขึ้นท่านโอดครคนในใจว่า เห็นจะตายกันคราวนี้เองอยู่ดีไม่ว่าดีดันมาให้เขามัดไว้ใกล้กับโลผีเสียงสุนัขหอนดังอยู่ใกล้ๆทําให้ท่านขนลุกไปทั้งตัวพยายามนึกว่าจะเอาคาถาบทไหนมากันผีดียิ่งกลัวมากก็ยิ่งคิดอะไรไม่ออกในที่สุดจึงต้องกําหนดกลัวหนอกลัวหนอกระทั่งความกลัว ค่อยลดลงเมื่อจิตตั้งมั่นมากขึ้นท่านจัดการทําตามที่อาจารย์สอนคือผูกคาถาด้วยการบริกรรมอสังวิสุโลปุสพุพะแล้วจึงถอดด้วยการบริกรรมย้อนกลับว่าพระพุสปุโลสุวิสังอะผูกแล้วถอดถอดแล้วผูกอยู่อย่างนี้หนึ่งชั่วโมงเต็มกุญแจจึงหลุดออกโดยที่ท่าน ไม่ต้องเป่าเพียงอย่างที่หลวงพ่อลีทำให้ดูท่านเข้าใจในทันทีนั่นเองว่าที่กุญแจหลุดไม่ใช่เพราะเป่าคาถาไม่ใช่การเอาคาถาไปไขกุญแจหากเอาจิตไปไขและการที่จิตจะไขได้นั้นต้องฝึกให้ใจกล้าเมื่อใจกล้าก็ไม่กลัวผีจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีพลังสามารถไขกุญแจให้หลุดได้ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยเมื่อกุญแจหลุดท่านจึงกดเข้าไปใหม่แล้วทำอย่างเดิมคราวนี้กุญแจหลุดออกได้ในส0สนาทีท่านก็ฝึกให้เหลือน้อยลงน้อยลงเป็น20สิบนาทีส0นาทีห้านาที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 ว่าจะสะดกกุญแจได้หลวงพ่อลีทักหนึ่งชั่วโมงครับจากนั้นผมก็ฝึกจนกระทั่งเหลือหนึ่งวินาทีลูกศิษย์รายงานด้วยท่าทางไม่ยินดียินร้ายเก่งนี่แต่ดูเธอไม่ดีใจเลยนะทำหน้ายังกับคนเบื่อโลกอย่างนั้นแหละผมกำลังเบื่อโลกจริงๆครับพระหนุ่มยอมรับแต่โดยดี เกิดอะไรขึ้นละ่ะเมื่อตอนหัวคำ่ำยังดูดีๆอยู่เลยนี่นาพอสามทุ่มกลับบนเบือโลกเส่แล้วเธอหใหพลุกจริงอาจารย์ตำหนิไกลๆผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ตอนหัวคำ่ำผมกระตือรือร้อนอยากจะได้วิชาสเสดาะลูกกุญแจแต่พอได้แล้วผมกลับรู้สึกเฉยๆ เพราะมาพิจารณาว่าวิชาคถาอาคมต่างๆที่ผมเรียนรู้มานั้นมันแก้ทุกข์ไม่ได้มีวิชาเดียวที่จะแก้ทุกข์ได้คือวิชาวิปัสสนากรรมฐานแต่ผมกลับเรียนไม่จบเลยกลายเป็นว่าที่จริงไม่ได้ไปได้ที่ไม่จริงผมเลยเบื่อๆคิดว่าจะเลิกเรียนวิชาคถาอาคมแล้วจะกลับไปเรียนวิชาวิปัสสนากรรมฐานให้จบดีกว่า โทาจะไปเรียนที่ไหนล่ะถามอย่างสนใจที่คณะห้าวัดมห า, าธาตุครับอ๋อเรียนกับเจ้าคุณโชโดกนั่นเองท่านเก่งมากนะองค์เนี้ยใครๆเขาเรียกท่านว่าตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่เพราะท่านเก่งปริยัตมากส่วนการปฏิบัตินั้นท่านไปนเรียนมาจาก ประเทศพ ม, มา่าเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์มหาศรีสยาดอท่านสอนแนวสติปัฐานสี่หลวงพ่อลีพูดถึงพระอุดมวิทยาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาหรือครับผมไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนถ้าเช่นนั้นก็แปลว่าผมโชคดีมากที่ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านท่านเมตตาผมมากครับ คนดีอย่างเธอใครเห็นเขาก็รักใครเมตตาทั้งนั้นแหละดูอย่างฉันรู้จักกับเธอเพียงวันเดียวยังยอมให้ติดซ้อยหอยตามมาเรียนวิชาปกติท่านไม่สอนเหตุใครง่ายๆหรอกอาจารย์บอกความในใจครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงและผมขอเรียนว่าพรุ่งนี้เช้า ผมจะขอลา ก, กลับวัดพรมบุรีนะครับผมยังมีภาระอีกหลายประการที่วัดเสร็จสิ้นภารกิจแล้วผมจะเข้าบางกอกเพื่อเรียนวิชาวิปัสสนากรรมฐานให้จบหลักสูตรดีแล้วขอให้ประสบความสำเร็จโดยเร็วนะฉันดูเธอแล้วเห็นว่าจะเป็นผู้ที่ช่วยเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้ขยายวงกว้างออกไปในทุกทิศมีลูกสิบลูกหามากมายขอให้จำเริญจำเริญเถิดนะท่านอวยชัยให้พรกราบขอพระคุณหลวงพ่อครับพระหนุ่มกราบเบญจางข้าประดิษฐ์สามครั้งแล้วจึงลุกออกไปยังกุฏิของท่านเพื่อพักผ่อน